<ambiente> เห็นหลวงพ่อเห็นแล้วยังพูดนะลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะอยู่กุฏิหลังไหนการตกแต่งกิ่งไม้ต้องระมัดระวังเราต้องเผื่อหน้าแล้งด้วยถ้านหน้าแล้งไม่มีใบไม้จะเป็นยังไงแดดเปียงลงมาใส่สันกรสีใส่กระเบื้องมันอยู่ไม่ได้แล้วมันร้อนอย่างน้อยกันมันเปียงลงมาใสา่ใต้นไม้ใบไม้ซะก่อน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 เห็นความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแล้วนะ่ะนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านไปดูดูจุดนี้ละดูจุดความรู้สึกนึกคิดนี่นะเป็นยังไงมันเสียใจมันดีใจยังไงนี่แหละพินท่านให้ดูจุดนี้ละดูที่ความรู้สึกนึกคิดนี่นั่นะดูใจนะท่นั่นแหละใจนะท่านหรือมนโนหรือผู้รู้หรือวิญญาณ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 ให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทตัวอตัวตว้วาวอ้างวังเงียบเงาหนักซึมเศร้านั่นะนะเอาตัวนั่นแหละกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทพดโทพดโ ถ, โ ถ, โ ถ, โถไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องแล้วก็ไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอก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 คิดว่าตัวเองจะอยู่โช่ฟ้าดินสลายคิดว่าตัวเอง เ, อเห็นคนอื่นตายเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นแหละไม่ถึงใจแต่พอเอาเข้าจริงๆพอตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นแหละถึงใจแล้ะใช่ไหยแต่ึงยังไ ง, บา ง, งบางครั้งบางคราวก็ช้าเกินไปเสียแล้วเพราะเราไม่ได้นึกคิดไม่ได้เตรียมการเอาไว้เพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นหละพอทาคาสอน